ขอถวายความเคารพหลวงพ่อคำเขียนผู้เป็นประธานขอโอกาสพระอาจารย์ทรงศีลแล้วก็เพื่อนเจ้าธรรมีทุกท่านจเจริญในธรรมวิชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะในการปฏิบัติธรรมนะก็ต้องอาศัยส่วนประกอบหลายๆอย่างนะเพื่อให้เกิดการจเจริญในธรรมนะ ธรรมะคืออะไรนะธรรมะคือการพัฒนาจิตใจนะ่ากที่มันต่าให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะธรรมะที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็มีหลายอย่างนะถ้าเป็นคนที่ฉล า, าดในการที่จะเรียกว่าคนขวายหรือว่าพัฒนาหรือว่าหาวิธีการต่างๆในการที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นนะ การที่เราฝึกสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะช่วยทำให้ทำกุศนละธรรมต่างๆมันจเจริญนะมอกงามขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องเรีย ก, ยกว่ามีการระมัดระวังมีการป้องกันสิ่งที่จะทำให้สติมันรั่วหรือว่าทำให้เกิดความด่างพร้อยในการประพฤติทธรรมเราก็ต้องเรียกว่ามีการสำรวมระวังแล้วก็ มีการป้องกันด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้องค์ประกอ บ, บต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้นะการที่เราได้สวดเรื่องการไรีว่าสํารวมอินทรีย์นะหรือว่าอินทรีย์จะสำรวมศนลเนี่ยเป็นศีลที่สําคัญในภาคของการปฏิบัติพวกเราอยู่ที่นี้อาจจะมีศีลที่ถือโดยสมมุติแตกต่างกันไปวินัยของสงฆ์ของพระสองยยีข้อ ของแม่ชีก็แปดข้อนะของโยมบางคนก็อาจจะศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างมันไม่เหมือนกันโดยสมมติแตกต่างกันไปแต่ในทางปฏิบัติแล้วพวกเราไม่แตกต่างกันเลยนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมผู้จริงผู้ชายไม่ได้แตกต่างกันเพราะที่จริงศีลคือความสัรวมกายวาจาให้เรียบร้อยจะเป็นศีลกี่ข้อก็แล้วแต่ เพื่อให้เกิดความสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยทำให้จิตใจเป็นปกตินะนะเกิดความตั้งมั่นนะ่ะทำนำไปสู่กันมีสมาธิสิ่งตรงนี้แหละถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ่ะคือการรู้จักรู้เท่าทันอายตนะทั้งหลายอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะ่ะตากระทบรูกรู้สึกอย่างไรนะ่ะรู้รรนมา ตาเห็นรูปนะรู้ทันถึงใจหูได้ยินเสียงนะเสียงเกิดขึ้นรู้ทันเสียงนั้นเกิดความยินดีหรือยินร้ายหรือว่าเฉยๆนะกระทบแล้วรู้สึกทางอาหารรินกระทบรถวันนี้อร่อยวันนี้ไม่อร่อยวันนี้ชอบวันนี้ไม่ชอบวันนี้เฉยๆรู้ทันรึเปล่าหรือแม้แต่ทุกแต่ละคํา รสชาติความรู้สึกมันก็แตกต่างกันไปเนะีเราก็รู้ทันเวลาดินกระทบรถชาติของอาหารทานด้วยความ อ, อร่อยหรือว่าทานเพียงเพื่อความตั้งอยู่ในเหงื่งกายนี้เนะี่ยเราก็สามารถรู้ทันได้นะตอนนี้แหละเมื่ออายตนะต่างๆกระทบนะี่กับผัสสะภายนอกเกิดผัสสะภายในคือจิตใจรับรู้รู้สึกอย่างไรให้เรามีสติคอยรู้ทันอันนี้แหละ ถึงจะเป็นการเรียกว่าเป็นสินที่เรียกว่าสินของนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีสินภายนอกนะแค่สินยี่าร้อยยี่สิบเจดข้อสินแปหรือว่าสินห้าแต่สินที่แท้ จ, จริงคือเรารู้จักสำรวมอายตนาทั้งหลายนะการสำรวมไม่ใช่การปิดนะไม่ใช่ปิดตาปิดหงงูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายหรือว่าบังคับใจให้มันรู้สึกไม่ใช่ เราไม่ได้ปิดแต่เราเปิดเปิดให้มันรับรู้ตามความเป็นจริงนะต้องกล้าที่จะรับรู้บางคนคิดว่าการสำรวมคือการปิดไม่รับรู้อะไรเลยนะไม่ใช่นะนะแต่ก็เพื่อแบบนี้ก็ไม่ใช่นะสำหรับบางคนที่มันรับรู้บางอย่างแล้วมันกระเทือนหว่นไไวจิตใจไม่มีสติกำลังตั้งมั่นพอก็ต้องเด็กเรี่ยงมันเช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักว่าบางสิ่งมาอย่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันกระทบเรากระตือนไม่สามารถตั้งมั่นได้ก็ต้องใหม่ใหม่ก็ต้อง ร, รู้รถรถจักเรียหรือรู้จักหีกไปก่อนนะแต่ถ้าตั้งใจมั่นที่จะฝึกสติลองดูเลยนะไม่หลีกหนีอารมณ์นะแต่ไม่ใช่ไปท้าทายอารมณ์นะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนะทางตาหูจมูกต้งาและใจเกิดขึ้นนะคอยเห็นว่าตาอายุทานะต่างๆกระทบกับภาษาแล้ว จิตใจเรารู้สึกเช่นไรให้ตอนนี้จะทําให้สติหรือว่าปัญญาของเราเมันจะเดินงอกงามขึ้นเพราะตอนนี้แหละคือการจะเดินความรู้สึกตัวของจริงนะของจริงคือตรงนี้ของจริงคือการกระทบสัมผัสแล้วเราสามารถมีความสึกตัวหรือว่าใจิตใจเป็นปกติอยู่หรือว่าใจิตใจผิดปกติไปนะมันก็ไม่ได้ว่าผิดแตกต่างกันไปนะนะถ้ารู้ว่ากระทบแล้วใจิตใจเป็นปกติ น, นั่นก็ดีมีสติตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าพอกระทบแล้วรู้ว่าจิตใจวันไหวเป็นบวกก็ดีเป็นลบก็ดีนะแลวเรารู้ทันว่าจิตใจวันไหวนะวันไหวทางบวกทางลบทางชอบทางไม่ชอบนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ทันอันนั้นก็เกิดสติเหมือนกันแม้ตอนแรกวันไหวไปเพราะสติไม่ตั้งมั่นนะก็ไม่เป็นไรรู้ทันใจที่มันวันไหวตามอารมณ์ตอนนั้นไปนะ แล้วก็เกิดสติได้เช่นเดียวกันเนี่ยค่าตรง น, นี้นะคือการดูเท่าทรรกายแล้วก็ดูเท่าทันใจของเรานั่นแหละเนี่ ย, ยการเจริญสตินะการฝึกสติสัมปชัญญะมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากซึ่งจะเดินจะทําให้ศีลของเราเดินอย่างเต็มที่นะศีล น, นะมันจะสมบูรณ์ขึ้นเป็นระดับเบื้องต้นเลยนะศีลนะที่เรียกว่ามีการสำรวมระวังมีการอนุบาลระวังทางกายทางวาจา เนการควบคุมอย่างดีเลยนะเนะี่ยเฉพาะพวกเราหลายๆคนเก็บอารมณ์เนะีหรือว่ากรรมฐานเข้มเนะี่ยมันจะช่วยให้เราสํารวมระวังมากขึ้นอันไหนไม่สมควรพูดมันก็ไม่พูดนะไม่จําเป็นพูดก็ไม่พูดเลยแบบเนี้นะมันจะทําให้วาจางเรมามันสำรวมนะเพราะวาจาถนะ้ามันไม่สํารวมแล้วมันมันเรื่องมันไหได้ง่ายมากนะคนส่วนใหญนะ่วาจาร์เร่อไหลไปกับความเพ้อเจอบ้างนะ กับความฟุ้งซ่านบ้างนะมันฟุ้งในหัวแล้วก็ฟุ้งออกมาทางปากนะถ้าเรามีศินที่เรียกว่าอินเทอร์สังวรศินด้ทันความคิดน่ะจิตใจมันก็หยุดการปรุงแต่งมันก็ไม่รั่วออกไปทางคําพูดน่ะหรือแม้แต่การกระทําอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันบางทีคนเราก็ทําอะไรต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เป็นสิ่งไร้สาระนะเป็นสิ่งที่พอใจที่จะทํำเฉยๆแต่ไม่รู้ว่า ทำไปเพื่ออะไรนะใจมันอยากจะทํำนะมันก็สะกายให้ไปทำอัะนั้นการที่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานเข้มนะหรือว่าตั้งใจที่ทําความเพียรมันจะช่วยให้เรารจับ ก, กรองงานการที่มันไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตของเรามากมายนะอืคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักหลักว่าอะไรไเป็นสิงจําเป็นอะไรเป็นสิ่งไม่จําเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆคนบ้าหอบฟางนะอเห็นอะไร ก็เรียกว่าเป็นของมีค่าทั้งหมดนะเก็บเลขผสมน้อยเจอทั้งหอบแบดอุดุงกว่าอุดุงตรงนางไปหมดนะแต่นักปฏิบททัติทำนะมันจะแบกมันจะหอบอสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่มีสาระเท่านั้นนะหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันจะไม่ว่ามันจะค่อยๆปลดปล่อยลดวางการงานต่างๆที่มันไม่เป็นสาระลดน้อยลงไปเหลือแต่ ง, งานที่จาเป็น จริงๆหรือเป็นงานที่มีค่าที่สุดจริงๆคืองานของการภาวนานะแต่พวกแบบนี้ก็ไม่ใช่การปฏิเสธงานภายนอกนะอืงานภายนอกแม้บางอย่างต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแม้บางอย่างดูเหมือนเป็นงานทางโลกนะแต่ถ้าเราตั้งใจมั่นที่เราจะฝึกสติกับการงานภายนอกตรงนั้นเพราะว่าบางทีมันมีเหตุปัจจัยที่ต้องเกี่ยวข้องนะต้องช่วยเหลือหมู่คณะต้องช่วยเหลือสังคม ก็ต้องยินดีเต็มใจในการทําเช่นเดียวกันแต่เราจะทําด้วยการที่ตั้งใจว่าจะทําอย่างมีสตินะทำโดยการที่เรียกว่ารู้สึกตัวไปกับการกับงานอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแต่หลายคนภาวนาที่จะเข้ากรรมาฐานเข้มก็ขอให้เรียกว่าวางใจไปเลยว่าแม้เราไม่อยู่ไม่เราไม่ทํางานตรงนี้ก็สามารถมีคนอื่นทําได้เช่นเดียวกันไม่ต้องกังวล น, นะสําหรับบางคนที่ เป็นห่วงภาระการงานหรือเป็นห่วงภาระของชุมชนนะพวกเราที่เหลือที่ไม่ได้เข้ากรรมาฐานเข้มก็จะช่วยเหลือกันในการรับผิดชอบการงานนะไม่ต้องกังวลใจให้สบายใจได้เลยว่าช่วงนี้เราเปิดโอการให้กับคนที่ตั้งใจภาวนาเข้มก็ได้ภาวนาเต็มที่นะเพราะว่าการทำประโยชน์ของตัเองเป็นหลักมันก็ส่งเสริมให้ประโยชน์กับเพื่อนพ้องในสังคมในชุมชนดีขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อนคนที่รับผิดชอบนะประโยชน์ต่อชุมชนนะนะก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะมีการฝึกอะไรต่างๆไปด้วยนะถึงต่างๆวันนี้มันเกิดจากการที่ถ้าเราตั้งใจถูกนะตั้งใจถูกมีความเห็นถูกที่จะทำอะไรก็แล้แต่เพื่อที่จะเรียนรู้นะว่าอะไรคือความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรคือสาเหตุของความทุกข์รู้ว่าจะต้องดับความทุกข์ด้วยวิธีไหนดับได้หรือยังจะเดินได้ยังนะอันนี้ยเราพยายามตั้งใจอย่านี้ยกลับมาดูจริงจริงนะความทุกข์ไม่อยู่ที่ภายนอกความทุกข์ไม่อยู่ที่งานความทุกข์ไม่อยู่ที่เสียงนินทาสรรเสริญความทุกข์ไม่อยู่ที่คนอื่นความทุกข์อยู่ที่ใจเราที่เองที่วางไว้ผิดเออใจเราเนี่ยที่วางไว้ผิดมันเลยเป็นเสบทุกข์ นะหรือไม่แต่เศษศกจนไม่ต้องศกตัวนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันให้กลับมาดูเลยกายและวก็ใจของเราเนี่แหละนะกายที่วางใจที่วางไม่ผิดหรือว่ากายที่เป็นธรรมชาติของก้อนทุกข์เนี่ยแหละมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์กลับมาดูดีๆนะการยึดมั่นถือมั่นการสําคัญหมายว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์นะเมื่อเรามีสติคอยรู้ทันอ้อ ทุกพจน์ใจเราที่วางมุกผิดนี้เองทุกที่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เองทําให้เราทุกสติมันจะรู้ทันตรงเนี้ยอ่แต่สติไปเรื่อยอ๋อหรือสติเป็นธรรมชาตินะ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองก็ก็แล้วแต่จะเป็นสติที่ว่าสร้างขึ้นหรือสติที่ว่าเกิดขึ้นเองแล้วแต่นาะบางทีก็อย่าไปขัดสนกันครับอะไรก็แล้วแ ต, แวแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความ ดับทุกข์เป็นไปเพื่อความจาง ค, าคลายใครายกำหนัดอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาเนะมื่อเรากระทบภาษะต่างๆเรารู้ทันอาภาษาต่างๆนะั้นมันหยุดการปุงแต่งอสังขารมันหยุดหรือว่ารู้ทันตอนที่อุปาทามันเกิดขึ้นไปยึดมั่นสําคัญหมายแล้วว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจะทางสุข ก, ก็ดีทางทุกข์ก็ดีนะด้านไหนไหนก็ได้แต่ ถ้ามันมีตัวมีตนมีเราหรือบางทีก็มีเขานะไปยึดนะ่ะในอาการกิริยาต่างๆ่างเหล่านั้นนะ่นะเมื่อมีสติรู้ทันมันก็คลายไปนะนคล้คายเหมือนมือที่มันไม่รู้ว่าเ น, นี่ยของที่เราจะไปจับเป็นของร้อนเมื่อเป็นไปกระทบกับของร้อนมันก็วางแต่นั้นะนะไม่มีมือตัวไหนที่ไปจับของร้อนนะของแดลม มันกรมแน่นน่ะไม่มีหลอกมีแต่คนเรียกว่าคนโง่จริงๆรินะคนโอดชนธรรมดาเมื่อกระทบของด้อนของแข็งอของน้ำของแหลมคมมันก็วางทันทีจิตของเราก็เหมือนกันจิตมันมันดูแล้วว่าเอ้ออะไรคือทุกข์นะทุกข์คือการยึดมั่งําคันหมายตอนนี้มันก็วางมันก็คายไปแต่จิตมันก็ยังโง่นะจิตมันก็ยังโง่แล้วยังไปหลงจับหลงจับความทุกข์ ตรงไปสร้างตัวตนปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีหน้าที่คอยมีสติดูทันมันใหม่ดูทันมันใหม่นะไม่เป็นไรนะให้บางใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเกิดขึ้นกี่กี่ครั้งพันหนก็แล้วแต่จะ่ดูทันมันให้เร็วๆนะกานที่เราฝึกสติเนี่ยฝึกเพื่อให้สติมันเกิดขึ้นได้เร็วนะเกิดขึ้นได้บ่อยนะแต่การที่มีความทุกข์มีความหลนเกิดขึ้นบ้าง มันเป็นธรรมชาติของผู้ที่กําลังฝึกฝนอยู่อ น, นั้นไม่ต้องเสียใจถ้าขนาที่ฝึกปฏิบัติไปแล้วก็หลงไปคิดบ้างหลงไปอยู่กับอารมณ์บ้างนะเราฝึกเพมีสติรู้ทันให้เร็วๆเมื่อสติรู้ทันเร็วมันก็วางความคิดวางความหลงได้เร็วนะเมื่อสติเกิดขึ้นบ่อยๆนะมันก็เป็นการป้องกันเหตุแห่งความหลงเป็นการป้องกันเหตุ ของการเข้าไปจมกับความคิดได้บ่อยๆเช่นเดียวกันนีการที่เราฝึกสติเป็นทั้งการที่ว่าทั้งป้องกันนะป้องกันอกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนีเป็นการละอกุศลธรรมนะที่มันเกิดขึ้นแล้วให้ดับไปกุศลธรรมคือสติและปัญญามันก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะมันก็จะเดินขึ้นได้มากขึ้น อันนี้แหละเป็นการทําความเพียรอย่างแท้จริงนะความเพียรในการละกิเลสความเพียรในการสร้างสติปัญญานี่ถึงจะเป็นความเพียรอย่างแท้จริงนะความเพียรไม่ใช่แค่การเดินทางล้มผังค่ําหรือนั่งยกมือนานๆ น, นั่งสมาธิได้นานๆเท่านั้นแต่บางคนนั่งนานนั่งมีสติดีดก็น่าอนุโมทนาแต่บางคนอาจจะปฏิบัติแบบแบบไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานในรูปแบบแบบแต่ถ้าขณะที่มี การบัตตตรงนั้นมีสติได้ขณะที่เปลี่ยนนืยืบทมีสติได้ขณะที่ทําการงานต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่งมันมีสติได้อันนั่นแหละคือการทําความเพียรเนาะดังนั้นพวกเราทุกคนไม่แตกต่างกันทั้งโดยทางกายภาพนะมีหูตามจมูกลิ้นกายใจมีอวิยยะวัต่างๆเช่นเดียวกันซึ่งกายของเราเนี่แหละนะเป็นแหล่งที่ผลิตสติได้ดีมากๆนะกายตรงเนี้ย กายที่เคลื่อนไหวไปมาที่รู้สึกได้เป็นเนี้ยเป็นแดงผลิตสติที่ดีมากๆเลยเบื้องต้นเราก็อาศัยกายนี่แหละเป็นการผลิตสตินะเคลื่อนไหวเข้าใดยิยาบทไหนพยายามรู้ตัวเข้าไว้นะรู้ตัวบ่อยบ่อยรู้ตัวบ่อยบ่อยกลับมารู้ยืนเดินนั่งนอนขู่เหยียดเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็แล้วแต่พยายามรู้ตัวให้มากๆกนะกายเนี้ยมันมันดอกยากนะแต่ใจมันดอกง่ายนะกายมือซื่อ กายบริสุทธิ์เคลื่อนก็รู้กระทบก็รู้สัมผัสก็รู้ยินร้อนอ่อนแข็งก็รูนะนะแต่รู้แบบไม่ให้ไปจมไปจอ่อไปจ่องที่กายนะนะถ้าเราไปจมไปจอ่อไปจ่องที่กายนะมันจะมันจะได้แค่ผลของสมาธิหรือว่าสมถะนะเท่า น, นั้นนะต้องทำวิสบายสบายรู้กายก็รู้แบบสบายสบายรู้แบบมีผู้ดูนะ มีผู้ดูผู้เห็นผู้รู้มันอยู่นะไม่ใช่เข้าไปอยู่กับกายนะดูกายตามธรรมชาติตามควาเป็นจริงบางทีมันก็เฉยเฉยบางทีมันก็ทุกข์บ้างบางทีมันก็สดบ้างก็ดูมันไปให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกายแม้แต่กายตอนนี้นะที่ว่ามันซื่อละมันก็ยังเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีความทุกข์ในตัวของมันเองก็ดูลงไปตรงๆเลยนะกายในปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่างไรรู้ทันอย่างนั้นกายส่วนไหนที่มันเด่นที่มันโชว์นะนนก็ดูมันตรงนั้นนั่นแหละนะนนไม่ใช่จะไปบังคับให้รู้แต่มือแต่เท้าแต่ลมไม่ใช่ไปบงังคับไปจดจ่ออยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่อะไรที่เขาเด่นอะไรที่เขาแสดงตัวตนแสดงอาการของกายนะให้มันชัดๆเราก็ดูมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะอาการของจิตใจก็เช่นเดียวกัน มันแท้ก็ามามันปุดก็ามามันโผล่้ามาในระหว่างที่เราตั้งใจจะดูกายเป็นหลักอ่ก็มีสติ ค, คอยรู้ทันอ้อมันก็คิดไปแล้วเนาะคิดไปแล้วเนาะอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้แล้วเนา ะ, ะความสบความทุกเกิดขึ้นความเฉยเกิดขึ้นอ่ะก็รู้ทันมันอ่ไม่เป็นไดไม่ใช่บังคับว่าจะไม่รู้นะแต่เมื่อมันโชว์ขึ้นมาก็ดูมันสักดูแล้วก็ไม่สนใจก็วางมันไปอ่ เมื่อวางมันไปลล้วนะความคิดความรู้สึกนะมันก็กลายเป็นเฉยๆบ้างนะเป็นการไม่ปรุงแต่งนะจิตเป็นปกตินะก็กลับมาดูวกายใหม่นะกายมันก็โชว์ของมันอา่าเป็นแมกกาเป็นรูปหลังไว้อยู่แล้วแหละนะพราอมีการเคลื่อนไหวนะมียาบทที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเนะี่ยเราก็ดูดูเล่นๆดูสนุกสนุกนะนะปฏิบัติทํ า, ทาแล้วมันสนุกนะ สนุกมันเพลินเพลินอะไรมันเห็นมันเห็นหรือว่ามันได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เรียนรู้มากมายเลยนะนะกายและใจของเรานี่เป็นตําราเป็นห่องสมุดก็ว่าได้นะนะเป็นรูปสมุดมีสิ่งที่มาศึกษามากมายนะ่รมาศึกษามากมายหนังสือภายนอกนะมันก็มีความรู้ภายนอกเยอะแยะนะ่ะถึงหนังสือภายในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ศึกษาไปแล้วนะ มันรู้เพื่อละความหลงเพื่อดับความหลงเพื่อแก้ความหลงนะเพื่อสร้างปัญญาอย่างแท้จริงนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสตินี่เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจนะตั้งใจภาวนากันเยอะนะโอกาสนี้ดีมากๆครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อหลวงตานไปกลางเต็นอยู่กับพวกเราทำความเพียร ทงให้พวกเราดูนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ที่หรืว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราเลยก็ว่าได้นะหลายหลายคนอยู่ลานหิมโคงภาวนากับหุวงพ่อหลวงตาเนี่ยก็เรียกว่าให้พวกเราดูนะไม่แต่ครูบาอาจารย์ท่านสำฐานท่านได้ว่าชดาภาพมากแล้วแต่ท่านก็ยังเห็นเนี่ยาการเรียกว่าเป็นเพื่อนนักปฏิบัตินะบางทีอาจจะไม่พูด ทุกครั้ทุกขณะนะหรือว่าทุกวันแต่การทําให้ดูเนี่ยเป็นบนุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วนะนะการทําให้พวกเราดูให้เห็นนะเกิดความเย็นที่สัมผัสได้นะบางคนท้อถอยให้คิดถึงหลวงพ่อกระบายจางไว้นะท่านเสียงสละจเวลานะอยู่กับพวกเราสอนพวกเราดํำรงธาตุขันไว้เพื่อให้พวกเราเนี่แหละนะไม่ใช่ดํำรงเพื่อที่ท่านหลับนะท่านดำรงไว้ให้พวกเรานะีย มีปัญหาตรองในสงสยัยสามารถแก้ไขให้กับพวกเราได้หรือเป็นตัวอย่างหรือผู้สอนบ้านเนะี่ยให้พวกเราเก็บและเปะสคนน้อยเทียนตาลเนี่ยนะมาเป็นครูสอนใจมาเป็นครูกระตุ้นใจเราให้พวกเราพ ย, ายามทำความเพียรนะนะแต่แน่นอนครูบาอาจารย์ไม่สามารถทำแทนให้พวกเราได้พวกเราต้องทำเองแต่เป็นตัว อ, อาศัยส่วนประกอบภายนอก มาเป็นตัวกระตุ้นมาเตือนให้พวกเราทําความเพียรทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบหรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่ได้อยู่รานหินโค้งก็ไม่เป็นไรนะก็ขอให้นักเลิกไว้ในใจว่าอืมเราก็ทําความเพียรในสถานที่ในกติของเราเช่นเดียวกันหรือทําความเพียรในกิจการงานครัวงานต่างๆก็ดีคก็แต่ว่าทําความเพียรเช่นเดียวกันนะความเพียรไม่ใช่อยู่ที่ภายนอก ความเพียรอยู่ที่ภายในอยู่ที่การละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเป็นการสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจนนนี่แหละเป็นการทําความเพียรแต่จะเป็นความดีหรือเป็นความชั่วนะอกุศน์กุสลก็ไม่ใช่ไปยึดมันนะเกิดขึ้นแล้วก็ละมันไปก็วามันไปเช่นเดียวกันนะจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีนะก็ไม่ใช่ไปยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมายว่าเราดีเราไม่ดี นะเราถูกเราผิดนะก็ไม่ใช่ไปสําคัญมั่นหมายตรงนั้นเช่นเดียวกันนะนะถ้าเรามีสติมันจะรู้ทันมีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าอะไรต่างๆนี่เกิดขึ้นกับกายก็ดีกับใจก็ดีมันรู้แต่ไม่สามารถยึดมั่นสำคัญหมายได้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรามันเป็นเพียงแค่อาการที่แสดงนะแสดงตัวตนเกิดขึ้นเฉยๆกายมันก็แสดงธาตุขันธ์ดนะินน้ํำลมไฟอาการต่างๆ ยินน้อยอ่อนแขนะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสบายดีมันก็แสดงให้พวกเราดูเฉดเฉยจิตใจมันก็แสดงอาการให้พวกเราดูเฉยเฉยจะเป็นกิเลสจะเป็นโกศลมันก็มีธรรมชาติเช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปเหมือนกันนะนอกจากสภาวะปกติจริงๆนะอนะสภาวะปกติสภาวะจิตนะที่เรียกว่ามันถึงที่สุดแล้วอ นะแต่นุกบาอาจารย์ท่านว่ามันเป็นจิตหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้นะน่ะจิตที่เป็นปกติมันเป็นจิตหนึ่งอย่างแท้จริงนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามอ่าเหตุปัจจัยอะไรต่างๆแล้วเมื่อมันเข้าถึงที่สุดนะนะั่นนะก็นี่เขาพูดตำนุูาบาอาจารย์นะอ่าแต่เราในฐานะที่กาลังฝึกหัดกันอยู่นะก็ขอให้ได้ตั้งใจนะ่ะถือว่าอาศัยความเพีเยรเป็นตัวนํำนะ่ะ เหมือนกับน้ําฝนนะความเพียรเหมือนกับน้ําฝนนะตกลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้นไม้มันก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆนะต้นไม้เมื่ออาศัยฝนนะมันเป็นตัวทําให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นอะเป็นน้ำํำดอดี้ทาให้ต้นไม้มันจะเดิงอกงามนะักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันอาศัยความเพียรนะั่นแหละเป็นเหมือนกับฝนที่ทําให้การพัฒนาการของจิตใจของธรรมะของเรา มันจะเดินงอกงามขึ้นนะแต่มันก็อาศัยอย่างอื่นประกอบด้วยนะอาศัยอย่างอื่นประกอบด้วยเหมือนกับต้นไม้ที่อาศัยดินอาศัยธาตุอาหารอาศัยลมฟ้าอากาศนะี่เป็นตัวประกอบเราก็ต้องอาศัยกรญจนาภิริตรเป็นตัวประกอบทำให้เรามีความเพียรมีความตั้งใจทำให้มีปัญญานะมาเตือนตัวเองนะ แล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยภายในของเราเองก็ดีสินก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีการรู้จักเสียสละก็ดีความอดทนอดกั้นก็ดีมีแรงต่างนะเอามาใช้ให้หมดละนะเอามาใช้ในการเรียกว่าให้มันรู้ทันกิเลสให้มันละกิเลสให้ได้นะอย่าไปจำกัดที่กระบวนท่าอาวุธอะไรต่างๆมีอะไรเอามาใช้ให้หมดนะเอามาใช้เพื่อ เพื่อละเพื่อดับเพื่อรู้ทันกิเลส น, นะไม่ใช่เอามือใช้เพื่อสะสมอัตตามาณะของตนนะเอามาใช้เพื่อละวางตัวตนเนี่ยการมีสินก็ไม่ใช่ออกเข่งเพื่อเห็นว่าชั้นดีกว่าคนอื่นคนอื่นเร็วกว่าชั้นการมีสมาธิก็ไม่ใช่เป็นการทำให้จิตใจมันสงบมันเฉยเฉยนะแล้วก็ไม่เจริญปัญญาต่อไปก็ไม่ใช่นะ การมีปัญญาก็ไม่ใช่เอาถกเถียงหรือว่าเอาไปื่อว่าตัวเองเป็นผู้รู้ไปหลงในความรู้ก็ไม่ใช่แต่ริ่งต่างๆมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อพระนิพพานแตนะ่ถ้าเราตั้งใจไปถูกมีความเห็นที่ถูกการเดินทางของเราก็ถูกนะค่อยๆเดินทางค่อยๆทาความเพียรก็จะเข้าใกล้มาผลนิพพานด้วยกันทุกคนนะอาตมาก็ คืเป็นส่วนประกอบเพื่อให้กำลังใจแล้วก็จะทำความเพียรเริ่มกับพวกเรานะในที่ต่างๆเราเราก็ทำความเพียรกันทุกที่น ะ, นะให้ถือว่าชาตินี้เกิดมาแล้วก็ให้ได้ทำความเพียรเรียนรู้จากตัวเองให้เต็มที่ถึงที่สุดแหละจะถึงมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะแต่ถ้าถึงชาตินี้ก็ดีนะก็ขอให้พวกเราทุกคนในเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน